ยังไม่ได้มาขับหลวงปู่ตื้อแหละถูกเสือขับเสียก่อนแล้วเผนหญยเลยไปใหญ่เลยแตกทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกันหึหๆเลยเสือมันคำรามใส่มันยังไม่ทำอะไรแหละมันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของก็ค า, า, าถาทั้งครอบใบ้นี่มันกลัวใจมันลงมันไม่ถือเป็นฆาสึก ถือเป็นเหมือนเจ้าของ